วิธีสมมติและกรรมวาจาสมมติแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรภิกษุทั้งหลายพึงสมมติแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร อ, อย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสมานสังวาสสีมามีอุโบสถเดียวกันแห่งใดที่สงสมมติแล้วสงพึงสมมติสมานสังวาสสีมามีอุโบสถเดียวกันนั้น ให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร น, นี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสมานสังวาจีมามีอุโบสถเดียวกันแห่งใดที่สงสมมุติแล้วสงพึงสมมติสมานสังวาสีมามีอุโบสถเดียวกันนั้นให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรท่านรูปใดเห็นด้วยกับการสมมุติสมานสังวาสีมามีอุโบสถเดียวกันนั้นให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรท่านรูปนั้นพึงนิ่ง ท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงสมานสังวาสสีมามีอุโบสถเดียวกันนั้นสงได้สมมติให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการสมมติแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรแล้วจึงเก็บจีวรทั้งหลายไว้ในละแวกหมู่บ้านจีวรเหล่านั้นสูญหายบ้างถูกไฟไหม้บ้าง ผูกหนูกัดบ้างภิกษุทั้งหลายจึงมีผ้าที่ไม่ดีมีแต่จีวรเก่าๆภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเหตุใดพวกท่านจึงมีแต่ผ้าไม่ดีมีแต่จีวรเก่าๆภิกษุทั้งหลายจึงตอบว่าท่านทั้งหลายพวกผมทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุ ญ, ญาตการสมมติแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรแล้วจึงเก็บจีวรทั้งหลายไว้ในระแวกหมู่บ้านอย่างนี้ จีวรเหล่านั้นเสียหายบ้างถูกไฟไม่บ้างถูกหนูกัดบ้างเพราะเหตุ น, นั้นพวกผมจึงมีผ้าไม่ดีมีแต่จีวรเก่าๆภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ